ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อจะข อ, อกล่าวเรื่องราวที่ผ่านานมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันนี้เป็นวันที่27วันนี้เป็นวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554องค์หลวงตาของพวกเราได้รับสังขารเมื่อวันที่30มกราคมเวลาตี3 53นาที นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลาป็นเวลา29วันแล้วก็งานการงานที่พวกเราเตรียมงานเพื่อจะพระราชทานเพลิงศพองหลวงตาของพวกเราก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่งานใหญ่แต่ว่างานก็ไปได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนที่เป็นหัวใจงานก็รู้สึกว่า แปด้าเซแต่ก็ยังเรื่องกรดกรดที่จะขึ้นไปกั้นข้างบน เ, เหนือสรีระขององค์หลวงตานีค่คิดว่าวันนี้วันพุ่งนี้คงจะทดลองท ด, ท ด, ทดลองใช้กรดช้ยกรดจำรองไปก่อนแล้วก็วันที่วันที่สามคิดว่าจะใช้กรดจริงถ้าเราจะใช้สดกรด จริงทีเดียวก็กลัวมันจะช้าฮะคณะกรรม ก, การ ท, า ท, า ท, าท่านท่านท่านได้กะกันไปอย่างนั้นนะคือทุกอย่างพวกเราก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมงานได้คิดให้รอบคอบทุกอย่างเท่าที่เท่าที่ปัญญามีแต่และองค์แต่และกลุ่มเท่าที่ปัญญามีพออยายามคิดให้รอบคอบที่สุดแล้วก็วันนี้ เมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาทุนกระหม่อมและท่านก็ได้เสด็จมาเป็นประธานร่วมสวดมนกับคณะสิทธิอนุสิทธิทุกหมู่เหล่าจากนั้นก็ได้ทอดผ้าบังสกุลถวายอง์โรงตาของพวกเราก็เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนมามากทั้งหมดคณะมีทั้ง 7, เจ็ดฟังฟังดูแลหว่า7เจ็ดห้าคณะอ่อ ที่มาทอดผ้าป่าเมื่อคืนนี้ก็รู้สึกว่า <c oughs> พี่น้องประชาชนให้ความสนใจระหว่างให้ความเคารพรักในองค์หลวงตาเป็นอย่างมากนะแล้วก็มาพระเนนที่มาช่วยในงานขององค์หลวงตาขณะ น, นี้มีพระทั้งหมด 1,972 รูปนะ 1,972 รูปที่นอนอยู่ในวัดของพวกเราขนา น, นี้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนให้รับทราบเหมือนกันที่พวกเราใส่บาตรหรืออาหารล้ น, ลลนหลามในก็ส่วนหนึ่งก็คือถวายพระสงฆ์แต่ว่าหลวงพ่อเองเขาไม่ไม่เป็นห่วงเรื่องอาหารพระสงฆ์แต่ถึงยังไงก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะพระสงฆ์มากถึงขนาดนี้พี่น้องประชาชนก็ควรจะให้ ความสนใจถ้ารักเคารพในองค์หลวงตาของพวกเราอยากจะให้งานของหลวงตาเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นก็ขอให้ช่วยๆกันเนอพี่น้องลูกหลานเนอช่วยๆกันดูทุกอย่างนั่นแหละตลอดถึงโรงครัวโรงทานต่างๆหลวงพ่อก็ได้คำชับเหมือนกันและก็เงินบริจาคนั่นนี่นะ เ, ะเงินบริจาคพวกศักการะสัตยาธิโยมทางไกลก็คงอยากจะรู้ ว่าเงินบริจาควันที่ยีวันที่26น่ยเออคือวันที่26วันที่27วันนี้ยังยังยังยังไม่ทราบนะ allora so, ha, วันที่26เนี่ยยังไม่ทราบแต่ต้องทราบวันนี้คล้ายๆว่าวันที่25แล้วก็ทราบวันที่ยีวันต่อไปจรงจะทราบได้อันนี้ก็วันที่เมื่อวันที่26วันนี้ยังไม่ทราบแต่ยับทราบยอดวันท <im ี่25ที่ผ่านมารวมทั้งหมดเงินสธนาคาร ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่26่กกรุ๊งพศห้า54รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน200ล้าน7 0 0 0 5 0นบาท14สตางค์อันนี้คือเงินบริจาค ของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมถวายองค์หลวงตาเงินจนํานวนนี้เราจะต้องซื้อเข้าซื้อทองเข้าคลังหลวงทั้งหมดตามคณะกรรมการที่ตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาหลวงตาท่านสั่งเป็นพินัยกรรมโดยเด็ดขาดอย่างนั้นท่านบอกว่าในพินัยกรรมเงินทุกบาททุกสตังค์ที่พี่น้องประชาชนมาทำบุญในงานพระราชทานเพลิงศพของเรา ให้นําซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดอันนี้คือหลวงตาท่านเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยตลอดแต่วันเมื่อวานหลวงพ่อได้ยับคำหนึ่งออกว่าหลวงพ่ออยากจะพูดเรื่องคลังหลวงนะแต่วันนี้หลวงพ่อขอหยับให้สักหน่อยขอนิมณ์ครูบาอาจารย์ใจเย็นๆสักหน่อยนะวันนี้หลวงพ่อจะขอพูดเรื่องคลังหลวงสักหน่อยหลวพ่ออยากจะพูดมานานแต่ว่า ยังหัวหาโอกาสไม่ได้เรื่องคางหลวงเ <c oughs> คยหลวงตาท่านยังมียังยังชงทาดขันอยู่ท่านก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องรวมบัญชีนะรวมบัญชีนี่คืออะไรถ้าหลวงพ่อเข้าใจไม่ผิดนะหลวงพ่อบัญชีเนะี่ยถ้าจะเปรียบเทียบก็คือบัญชีฝากประจำํำวันบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสรายวันแต่เดี๋ยวนี้เงินทางรัฐบาลเขาก็ว่าล่อยหลอเขาก็เลยอยากจะ เอาเปิดบัญชีประจํามาใส่บัญชีกระแสรายวันหรือกระแสออมทรัพย์เพื่อได้ใช้กระจ่ายง่ายลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อจำถ้าหลวงพอ่งพอไม่เข้าใจผิดนะแต่ท่นนี้ลงตาท่านบอกว่าถ้า อ, าออกมาใช้นะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อไปภายภาคหน้าแต่ถ้ า, าว่ารัฐบาลชุดนี้เราออกมารัฐบาลชุดหน้าละ่ะและใครจะเป็ น, เ ป, นเป็นรัฐบาล ก็ยังไม่แน่เพราะโลกอันนี้มันเหมือนกับฟุตบอลมันกลิ่งไปกลิ่งมาได้แต่นี้ถ้าหากว่ามันต่อไปภายภาคหน้าถ้ า, าว่ามันเกิดเสียหายขึ้นมากระตกถึงพี่น้องประชาชนอย่างเก่าทําไมหลวงตาท่านจึงไม่ให้รวมบัญชีหลวงพ่อว่าหลวงตาในท่านคิดแบบบริหารแบบคนโบราณคนโบราณก็คืออย่างไรก็คือสมมุติว่าในครอบครัวของเรานี่ มีลูกสี่ห้าหคนอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องเอาเงินไว้ในบ้านอย่างน้อยสักสองสามแสนบาทนะเอาไว้ในตู้นะไม่ใช่เอาไว้ในตูนะเนต้เซฟอีกต่างหากเพื่อเอาไว้ใช้ในงานฉุกเฉินนะเนีคือเอาไว้ในงานฉุกเฉินท่านเอาไว้แล้วก็บอกลูกที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เท่าเอาเอเงินของเรานะลูกนะอยู่ที่ตูนะ้นั้นใบนั้นนะอยู่ที่นั้นใบนั้นนะพ่อกับแม่ต้องบอกกับลูกเอาไว้ เมื่อต่อไปถ้ า, ามีเรื่องอุบัติเหตุขึ้นมารถชนรถเฉียวอุบัติเหตุอย่างนั้นอ่ะท่นี้ก็พ่อแม่ก็ต้องเอาเอาลูกคนนี้ไปโรงพยาบาลด่วนแล้วก็เอาเงินน่ะเอาเงินจํานวนที่เก็บไว้ในบ้านเอาไปให้ให้ลูกเอาไปให้หมอเขานะด่วนนะเอาให้อยู่นะเนี่ยเงินเอานี้ไปใช้ก่อนแล้วจะเอาให้อีกที่หลังอกีกในเมื่อหมอเขาได้ยาได้คนแล้วก็ไ ด, ไ ด, ได้ได้เงินด้วย เขาก็จ้องรักษาเต็มที่เพราะเขาได้เงินแล้วเขาเห็นเงินด้วยอันนึงถ้าหากว่าคนได้เงินมาเท่าไหร่กูก็จะเสียดอกเอาไปลงทุนทั้งหมดในบ้านไม่มีเงินเลยแต่เมื่อประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยเอาคนไปโรงพยาบาลเราก็ไม่มีเงินไปให้เขาด้ว ย, ยอันนั้นแหละจะเป็นที่ยอมรับไหมหมอก็จะใช้ไว้เนื้อเชื่อใจไหม นี่แหละอันนี้คือหลวงตาท่านบอกเงินก้อนนี้คือเงินประกันครอบครัวเงินประกันประเทศเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ซะมันก็จะทํำยังไงถ้าพอต่อไปภายภาคหน้าอย่างแผ่นดินไหวอย่างเสสวนอ ย, อย่างประเทศพมา่าน้ําท่วมอย่างนี้เราจะใช้เงินที่ไหนเราจะไปเอายืมเงินจากที่ไหนมาใช้อันนี้หลงตาท่านดิท่านได้คิดท่านให้แนวความคิดเอาไว้ถ้าเงินก้อนนี้อยู่ในคงคัง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะเป็นเงินประกันประกันประเทศถ้าว่าเรานำมาใช้สักก่อนทุนมันล่อยหล่อลงไปถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นเราจะทำยังไงตนี้เป็นความคิดของหลวงพ่ออินหนะลวงพ่ออินบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้ลูกหลานที่ส่งไปเรียนต่างประเทศนะปีหนึ่งหมดเป็นหมื่ น, นเป็นหมื่นหมื่นล้านนะไปส่งลงไปเรียนหนังสือต่างประเทศ ปริญญาตรีโทเอกโดยมากปริญญาเอกทั้งนั้นป ร, ปริญญาเอกการค้าปริญญาเอกการตลาดปริญญาเอกบัญการบัญชีมีปริญญาเอกทั้งนั้นที่ไปหาเงินหา<ะ>หาเงินวิธีการหาเงินแต่ทํำไมลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ทําไมจึงไม่ไม่ไม่ใช้หัวคิดหาเงินมาใช้เองทําไมยังไปมองเห็นเงินของโบราณที่รัชกาลที่ห้า ที่ท่านเก็บเอาไว้เงินถุงแดงนะั่นแหะเงินก้อนนี่เงินถุงแดงนะถุงพอทราบทาบมาว่าประมาณจักเจ็ดแสนล้านนะเงินประกันสังคมก้อนนี้นะเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรแต่ถือยังไงก็เป็นสมบัติของแผ่นดินน่าจะเอาไว้หนะลวงตาท่านบอกอย่างนั้นนะ เ, เพราะฉะนั้น ล, ลูกหลานยุคนี้สมัยนี้ปริญญาเอก เ, อเต็มบ้านเต็มเมืองทํำไมไม่หาเงินมาใช้เอง ทำไมยังไปถลุงอยาคิดถลุงเงินโบราณหลวงพ่อขอขาฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าน้อแต่ถ้าว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่พูดหลวงพ่อเนี่ยรับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาพินยกรรมเนี่ยว่าให้เงินทุกบาททุกสตางค์หลวงพ่ออินถวายนีย่เป็นผู้รับพินัยกรรมจากองค์หลวงตาที่ท่านสั่งเสียเอาไว้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงอยากจะพูด เกี่ยวกับเรื่องคลังหลวงพอลงตาท่านสั่งเสียสั่งแล้วสั่งอีกให้แก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าอันนี้ก็ขอฝากไว้กับผู้ที่รับผิดชอบ ท, ทุกทุกทนะ่าน้วยเน้อวันนี้พูดออกนอกทางสักหน่อยนะขออาภาัยนะ้